อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ551 1. ิภิกษุทําเป็นเพดานเครื่องลาดพื้นม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติสุทธาการะกะศสิกขาบทที่สองจบ